สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บีกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่ากลัวตื่นเต้นที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งกันเข้ามาค่ะโดยเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยนะคะส่งเข้ามาทาง a c e b o o k แฟนเพจพระเจอผีบอกว่าสวัสดีครับคุณบีเรื่องเป็นเรื่องของคุณ a นะคะ ต้องขอขอบคุณคุณบีที่กรุณาเล่าประสบการณ์เรื่องของคุณเอเนี่ยให้เพื่อนฟังนะคะแล้วก็คุณเอเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนเพจพระเจอผีแล้วก็ชอบมากๆเลยฟังเสียงคุณบีเล่าทุกวันคุณบีเล่าสนุกครับฟังแล้วจินตนาการตามน่ากลัวครับขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ เป็นเรื่องเล่าต่อจากครั้งที่แล้วเรื่องเนี่ยมันมีหลังจากที่าลาสิกขาจากการเป็นชีแล้วก็กลับเข้าไปสวนธรรมจะไปนั่งกรรมาฐานเวลากลางคืนประมาณหนึ่งชั่วโมงอยู่บ่อยๆกับพี่ๆน้องๆที่มาปฏิบัติธรรมกันเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะเป็นคืนวันโกนที่จะเข้าวันวิสาขาบูชาพอดีก็นัดกันกับพี่ๆกันไว้ว่าจะมานั่งสมาธิ ข้ามคืนกันคือ น, นั่งแต่ตอนห้าทุ่มของวันโกนจนข้ามมาตีหนึ่งของวันวิสาขาบูชาตอนเย็นของวันโกนพี่ที่เคยนั่งตรงกอไผ่เนี่ยแกได้เล่าให้ฟังแกบอกว่าแกนั่งสมาธิตรงนั้นแกก็นิมิตเห็นโครงกระดูกคนฝังไว้ตรงกอไผ่เนี่ยเป็นกระดูกของลุงคนหนึ่งแกบอกว่าในนิมิตเนี่ยลุงบอกชื่อแล้วก็นำสกุลด้วยแต่ว่าจําไม่ได้ว่ า, าชื่ออะไรพี่แกบอกไว้แล้วล่ะนะคะ แกก็เลยบอกว่าคืนนี้เนี่ยให้เราเนี่ยนั่งสมาธินั่งภาวนาตรงที่เห็นกระดูกแค่คิดแค่นี้แหละนะคะความกลัวก็เกิดขึ้นคิดไปต่างๆนานาจินตนาการเลอะเทอะคนกลัวผีอะเนาะพอถึงเวลาต่างคนก็ต่างหาที่นั่งในสวนธรรมกันนั่งกันไม่ห่างกันมากนักค่ะก็จะกลางโดมกันยุงนั่งตามกอไผ่กันบ้างบางคนนะคะก็จะนั่งกันตามต้นไม้ส่วนเจ้าของเรื่องคือคุณเอเองเนี่ยนะคะ ก็จะนั่งตรงที่พี่แกบอกความกลัวมันมาอีกค่ะทีนี้คำภาวนาไม่เอาละสวดมนต์ก็จำบทไหนก็ไม่ได้สวดบทไหนนึกบทไหนได้ก็เอาบทนั้นเลยภาวนานี่บอกไม่เอาละถูกบ้างผิดบ้างก็นั่งอยู่พักใหญ่กว่าจะคุมสติตัวเองได้แต่สักพักหนึ่งคุณผู้ฟังคุณเอบอกว่าได้ยินเสียงคนวิ่งผ่านข้างหลังเสียงดังตึกึกึก ก, กึไปเลยพร้อมกับเสียงหมาวิ่งผ่านไป โอ้โหใจนี่หายว้บเลยนะคะแล้วก็ตกใจว่าใครว้ามันมาวิ่งตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้คิดว่าเป็นคนนะในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยก็เลยต้องกลับมาเพื่อที่จะตั้งสติใหม่อีกรอบหนึ่งพอนั่งไปสักพักหนึ่งค่ะมันมีเสียงรูดซิปโดมในใจก็คิดอา้ากูจะหนีไปไหนได้เนี่ยอีกแป๊บหนึ่งรูดแล้วค่ะรูดสองคนเลยในใจนี่คิดนะว่าเอาแล้วหนีกูไปอีกแล้ว แต่ก็ยังคงนั่งสมาธิต่อนะคะแต่ว่าอีกแป๊บหนึง่งรูดซิบอีกสองคนค่ะในใจนี่คิดแล้วแหะว่าหนีกูไปทั้งสองคนเลยเหรออีกแป๊บหนึ่งหนีไปอีกค่ะหนีไปอีกคนนึงทนไม่ไหวละก็เลยขอดูหน่อยละกันว่าใครหนีไปบ้าง หลายท่านอาจจะงงนะคะที่ว่าหนีเนี่ยคืออะไรคือจะเป็นโดมนั่งสมาธิก็เหมือนกับกรดเนะะี่ยค่ะเหมือนกับกรดกับเต็นท์เพียงแต่ว่ามันจะเป็นแบบกันยุงเป็นโปร่งๆนะคะสาหรับนั่งสมาธิใครที่ไปปฏิบัติธรรมคงจะนึกภาพออกแล้วก็ปักกรดปั ก, ป ก, ปกโดมกันติดๆกันไปนะคะใกล้ๆกันไปเสียงรูดซิปเนี่ยเจ้าของเรื่องก็คือเข้าใจนะคะว่าคนที่เขานั่งสมาธิอยู่ข้างๆเนี่ยคือหนีไปทีนี้ก็เลยเอาวะเป็นไงเป็นกันลืมตาดูและกัน โอเคยังเหลืออีกสามคนที่นั่งเป็นเพื่อนก็เลยหลับตาค่ะนั่งทำสมาธิต่อทีนี้พอเริ่มสงบจะมีเสียงมาแวบหนึ่งพร้อมกับหน้าคนนี้ผุดมาให้เห็นครึ่งหน้าเป็นคนใส่แว่นพูดขึ้นนะคะว่าเราอยู่หลังต้นจามจุรีนะแล้วก็หายไปความกลัวมันก็เกิดขึ้นมา ใ, นใจก็คิดว่าเข้ามาจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่มโนคิดไปเองวะแต่ก็ยังคงเก็บความสงสัยไว้ในใจเนะะี่คะก็นั่งสมาธิต่อจนเสร็จ ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นก็ไลายไปถามพี่ที่แกให้คุณเอเนี่ยไปนั่งตรงเมื่อคืนถามแกบอกว่าที่สวนธรรมมีต้นจมจุรีไหมพี่แกก็บอกว่าไม่รู้นะต้องถามพระอาจารย์แล้วแกก็บอกว่าไม่มีจนกระทั่งเดือนมิถุนายน6กหนึ่งค่ะคุณเอก็มีโอกาสไปจังหวัดพิจิตรไปรับของอย่างหนึ่งที่คนผ่านกรรมฐานสายนี้ต่างอยากไปรับ ก็ไปกันกับเพื่อนๆรวมกัน6คนนะคะคือทุกคนรู้ว่ า, วาเมื่อวันวิสาขาบูชาเนี่ยนั่งไปแล้วได้ยินอะไรพอไปถึงวัดป่าสายกรรมฐานค่ะก็ก้มลงกราบน้ำมันสการพระอาจารย์ใหญ่เสร็จก็รอกันจนถึงหโมงเย็นแม่ชีท่านก็ให้คนเนี่ยพาเดินไปดูที่จะรับของสิ่งนี้ก็พากันเดินไปก็จะผ่านบ้านหลังเล็ก มีหลายหลังค่ะแต่ว่าแต่ละหลังนี่ก็จะมีศพอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศให้กับวัดเพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยฝึกนั่งกรรมาฐานแล้วก็เพื่อนๆของคุณเอก็ไปกันอีกหลังหนึ่งสำหรับรับของกับบ้านที่เป็นหลังๆเนี่ยนยคะก็ห่างกันประมาณสัก250เมตรได้ค่ะสถานที่ที่ไปนี่ก็จะเป็นป่าไผ่มีต้นไม้อื่นๆขึ้นเต็มไปหมดดูทึบน่ากลัวมาก ป้าแกก็พาเดินไปจนถึงบ้านฟ้านี่ยังไม่มืดนะคะตอนนั้นคือบ้านนี้มันจะมีประตูอยู่2บานบานแรกผลักเข้าไปอ่าเข้าไปในบ้านนะคะพอทีนี้เนี่ยถ้าดึงออกไปปุ๊บข้างในมันจะเป็นโลงศพอยู่3โลงด้วยกันมีศพนอนอยู่จริงๆค่ะแล้วก็มีรูปของผู้เสียชีวิตหลายรูปมากคุณเอบอกว่าคุณเอก็มองสายตากวาดมองไปทั่วนะไปสะดุดอยู่รูปนึงค่ะเป็นรูปคนใส่แว่นที่คล้ายกันกับที่เห็นเมื่อคืนวิสาขาบูชา แล้วป้าแกก็บอกว่าให้มาดูนะว่าจะวางของไว้ตรงไหนแล้วก็ให้เปิดลงช่องไหนเพื่อจะหยิบของขึ้นมาก่อนที่จะหยิบเนี่ยต้องสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ในบ้านนั้นก่อนพอป้าแกแนะนำเสร็จก็พากันเดินออกมาจนถึงทางเดินจะกลับบ้านนะคะต้นจามจุรีค่ะคุณผู้ฟังนึกถึงคาที่ได้ยินเลยบอกว่าเราอยู่หลังต้นจามจุรีนะ ก็เลยหันไปถามพี่ที่มาด้วยว่าต้นอะไรพี่แกบอกว่าต้นก้ามปูหรือต้นจำจุรีนี่แหละคุณผู้ฟังคะขนลุกขึ้นตั้งแต่หัวยันแบบอืหนะขึ้นไปหมดข้างหลังเลยอะเดินไปบอกกับเพื่อนๆที่มาด้วยกันว่าเอ้ยนี่ไงอยู่นี่เองต่างคนต่างพากันขนลุกเลยค่ะพอถึงเวลาฟ้ามืดนะแม่ชีก็ให้ตะเกียงน้ํามันแล้วก็ให้เดินไปรับของทีละคนทีละคนแต่ละคนนี่จะเดินสวนกันก็คืออีกคนรับเสร็จก็เดินออกทางหลัก อีกคนก็เดินสวนเข้าโดยที่ห้ามคุยกันนะคุณ A อเนี่ยเป็นคิวที่5คุณผู้ฟังคุณ A บอกแม่คุณเอยตายแน่ๆคือมันกลัวนะคะเท่าที่ B อ่านดูเรื่องของคุณเอเนี่ยคุณคุณเก็ค่อนข้างจะขี้กลัวพอสมควรนะเนี่ยแต่ครั้นจะไม่เอาเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะเสียตังค์ไปแล้วเอาวะเด็ก8ปดขวบมันยังเอาได้จะแค่ไหนเชียวว่าแล้วก็ถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าค่ะเลยแบบเดินไปแบบแบบจะไม่ต้องเสียเวลาคือยิ่งอยู่นานมันยิ่งกลัวไง คือมืดมากมีแค่แสงตะเกียงเดินเร็วก็กลัวดับเดินช้าก็กลัวผีก็เลยเดินก้าวขายาวๆก็แล้วกันเกิดมาไม่เคยใช้สติมากขนาดนี้เลยพอไปถึงก็รีบสวดมนต์รีบหยิบสวดมนต์เนี่ยปากสั่นใจนี่เต้นตึกๆๆเหมือนจะหลุดออกมาจากตัวสวดเสร็จก็รีบเดินกลับตอนขาออกนะคะผลักประตูค่ะพอปล่อยประตูดังปังเนี่ยใจตกลงไปที่ตาตุ่มไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ากลัวผีแต่เดินเข้าไปหาผี บ้าไปแล้วหรือเราพอถึงศาลาค่อยโล่งใจหน่อยแล้วก็เล่าเรื่องที่ได้ยินตอนเดือนพฤษภาคมให้ป้าแกฟังป้าแกก็เลยบอกว่านี่นะสิที่เขาเรียกว่านิมิต จ, จริงนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องที่คุณเอส่งเข้ามาให้เราได้ฟังกันเท่าที่จับใจความได้แล้วก็สรุปนะคะคือคุณเอเนี่ยไปนั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่สวนธรรมที่ใดที่หนึ่งนี่แหละนะคะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดไม่แน่ใจแล้วในนิมิตเนี่ยเกิดมีภาพนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ของของคนคนหนึ่งใส่แว่นนะคะโผล่มาแค่ครึ่งหน้าแล้วก็บอกว่าเราอยู่หลังต้นจามจุรีนะแค่นั้นก็หายไปจนกระทั่งเดือนมิถุนายน คุณเอก็ต้องมารับของที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระหรือเปล่าน่าจะเป็นพระแหละนะคะเป็นของเป็นเป็นลูกแก้วเป็นอะไรเงี้ยเป็นรูปพระสลักไว้เหมือนห้อยคอเนี่ยแหละนะคะซึ่งของที่บีเข้าใจเนี่ยน่าจะวางอยู่ในโลงศพโลงศพที่คุณเอจะต้องไปรับเนี่ยดันเป็นโลงศพของคนที่เข้ามาอยู่ในนิมิตคุณเอคือโผล่มาให้เห็นแค่หน้าครึ่งเดียวแล้วใส่แว่นด้วย นี่แหละนะคะเรื่องราวที่คุณเอส่งเข้ามาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางช n แนลพระเจอผีนะคะขอบคุณคุณเอมากๆเลยค่ะที่กรุณาส่งเรื่องนี้เข้ามาให้เราเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปฟังเรื่องอื่นต่อไปเนี่ยนะคะบีขออนุญาตแทรกด้วยสาระนิดนึงมีคนสงสยัยค่ะว่าเอ๊ผีเข้าคนได้จริงหรือไม่ แน่นอนเลยว่าหลายคนที่เคยคิดสงสัยเนี่ว่าผีหรือดวงวิญญาณ น, นั้นเข้าสิงคนได้จริงหรือเปล่าจะจริงไม่จริงก็ลองฟังเรื่องนี้ดูก็แล้วกันนะคะ บ, บีก็พยายามไปค้นคว้าข้อมูลเรื่องการผีเข้ามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ การที่มีผีเข้าคนหรือว่าเข้าสิงเข้าทรงนั้นท่านผู้รู้เองท่านเคยอธิบายไว้นะคะว่าผีเหล่านั้นไม่ได้เอาดวงวิญญาณของตัวเองมาซ้อนทับเข้าไปอยู่ในร่างของมนุษย์ที่ตัวเองเข้าสิงเหมือนอย่างที่เราดูในหนังทั่วไปค่ะแต่ว่าท่านบอกว่าทุกครั้งที่เห็นผีเข้าสิงหรือเข้าทรงนั้นท่านจะเห็นผีเหล่านั้นยืนใช้กาลังจิตบังคับร่างที่ถูกเข้าสิงนั้นอยู่ข้างนอกทั้งสิน้น ใครที่มีกาลังจิตอ่อนแอก็จะถูกผีเข้าสิงหรือใช้กาลังจิตบังคับให้ทาท่าทางหรือพูดเรื่องราวต่างๆตามที่ดวงวิญญาณที่บังคับเนี่ยต้องการนะคะคือได้ง่ายกว่าผู้ที่มีกําลังจิตกล้าแข็งค่ะทั้งนี้เหตุปัจจัยที่ทำให้ผีสามารถเข้าสิงมนุษย์ได้นั้นก็จะคล้ายกับเหตุปัใจจัยในการเห็นผีโดยขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆเป็น3หลักด้วยกันค่ะหลักที่1ความสามารถของผี ถ้าเป็นผีที่มีพลังงานมากมีกําลังจิตกล้าแกร่งมีบุญบารมีสูงก็จะสามารถเข้าสิงหรือบังคับร่างและจิตใจของมนุษย์ได้ง่ายกว่าผีที่มีพลังงานน้อยเช่นเทวดาสามารถเข้าสิงมนุษย์ได้ง่ายกว่าสัมภเวสีนะคะเพราะว่าเทวดาเนี่ยมีกําลังจิตสูงส่งกว่าสัมภเวสีมากค่ะสพลังงานที่เชื่อมโยงกับผีกับมนุษย์ ถ้าผีกับมนุษย์คนนั้นเนี่ยมีกระแสะพลังงานบางอย่างที่เชื่อมโยงกันผีตนนั้นก็จะเข้าสิงมนุษย์คนนั้นได้ง่ายขึ้นเช่นเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาก่อนเคยเป็นญาติพี่น้องกันมาก่อนเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากับครูบาอาจารย์กันมาก่อนแบบนี้เป็นต้นค่ะและสข้อสุดท้ายความสามารถของมนุษย์ ยิ่งมนุษย์ผู้ใดนะเคยผ่านการฝึกฝนสมาธิวิปัสนาจนจิตมีความสว่างสวยัยแล้วก็ละเอียดลึกซึ้งมากเท่าใดนั้นก็สามารถจะสื่อสารแล้วก็รับรู้กระแสะพลังงานอันละเอียดจากผีซึ่งเป็นกายละเอียดได้ชัดเจนขึ้นก็จะสามารถเป็นร่างทรงที่สื่อสารข้อความต่างๆจากผีและเทวดาทั้งหลายได้ง่ายขึ้นค่ะ นอกจากนี้ในะอีกมุมนึงยิ่งมนุษย์ผู้ใดที่มีกําลังจิตอ่อนมากเป็นคนขี้กลัวขี้ตกใจก็จะถูกผีเข้าสิงได้ง่ายขึ้นเช่นกันเพราะว่าผีสามารถใช้พลังจิตของตนเนี่ยบังคับแทรกแซงได้ง่ายขึ้นดังเราจะเห็นนะคะว่าคนที่ถูกผีสิงหรือว่าผู้ที่เป็นร่างทรงส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กบ้างผู้หญิงบ้างเพศที่3มบ้างก็เพราะว่ามักจะมีจิตใจที่อ่อนไหวกว่าผู้ชายแท้ๆที่มีจิตใจที่เข้มแข็งกว่านั่นเองค่ะ และเรื่องสุดท้ายประจาวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยคิดแมคะว่าปอบเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่หรือว่ามีอยู่เพียงแค่ความเชื่อโดยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปอบค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าถ้ามีเสียงทักในายามค่ำคืนอย่าทักตอบสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องสยองขวัญมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่สาวของผมครับซึ่งเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันขอเริ่มเรื่องเลยก็แล้วกัน พี่เข้าไปค่ายลูกเสือกับทางโรงเรียนแล้วพอตกตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องมีการเข้าฐานผมก็เคยไปนะครับมันไม่น่ากลัวเพราะว่ามีเพื่อนเยอะและครูเขาก็จะคอยดูแลเราของพี่ผมเขาบอกว่าเหมือนของผมแหละเพียงแต่ว่าตอนที่เข้าฐานเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงเรียกของใครบางคนเรียกชื่อเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๋เอเขาก็ขานรับนะครับบอกว่าฮะเพื่อนที่อยู่ ข, ข้างก็งงว่าพี่เอากับใครพอเล่นฐานเสร็จก็เข้านอน พี่เอเล่าต่อว่าพอหลับไปได้สักพักหนึ่งรู้สึกอึดอัดอย่างมากพอลืมตาก็เห็นคนแก่ผมยาวผมขาวหงอกหมดทั้งตัวกำลังนั่งทับที่ท้องของพี่เอ๋อยู่พี่เอ๋ตกใจกลัวมากพยายามร้องและดิน้นแต่ว่าดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดและร้องไปก็ไม่มีใครได้ยินเพื่อนในเต็นท์ที่นอนเนี่ยก็นอนหลับกันไปหมดแต่ไม่ทันไรยายแก่คนนั้นก็ยิ้มและมันก็ก้มหน้าหาพี่เอ๋พร้อมกับพูดกับพี่เอ๋บอกว่า น่าอร่อยนะเนี่ยแล้วมันก็ลุกขึ้นมันมุดเข้าไปในท้องของพี่เอพี่เอตกใจมากร้องเสียงดังทีนี้เสียงก็ดังออกมาเพื่อนๆก็ตกใจตื่นขึ้นมาดูพี่เอถามว่าเป็นอะไรพี่เอได้แต่ร้องโวยวายครูที่อยู่เวรได้ยินก็รีบวิ่งมาดูต่างช่วยกันดูว่าพี่เอเป็นอะไรแต่ว่าพี่เอนี่เอาแต่ร้องให้ไม่ยอมหยุดจนทุกคนตื่นกันหมดครูก็เลยตัดสินใจโทรตามรถพยาบาลเพราะกลัวว่าจะเป็นสัตว์มีพิษไปทำร้ายพี่เอ พี่เอเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมพูดจาอะไรพอถึงโรงพยาบาลไม่นานพ่อแม่ของพี่เอหรือก็คือลุงกับป้าของผมนั่นเองก็ไปดูพี่เอที่โรงพยาบาลเพราะว่าครูโทรตามพอลุงกับป้ามาก็ถามพี่เอว่าหนูเป็นอะไรพี่เอก็ไม่ตอบร้องไห้อย่างเดียวหมอก็งงว่าพี่เอเป็นอะไรเพราะไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยพี่เอร้องไห้จนเป็นลมสลบไปหมอเลยให้นอนพักที่โรงพยาบาลก่อนตอนนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้ว ลุงก็เลยกลับบ้านก่อนเพราะไม่มีคนเฝ้าบ้านส่วนป้าก็นอนเฝ้าพี่เอ๋ไปตอนที่ป้ากำลังนอนเฝ้าอยู่ก็เห็นพี่เอ๋ลืมตาขึ้นหันมามองป้าตอนนั้นป้าก็ยังไม่ได้หลับเห็นพี่เอ๋ลืมตาก็เลยถามว่าเป็นไงลูกรู้สึกตัวแล้วเหรอพี่เอ๋ได้แต่ยิ้มและพูดกับป้าว่ามันอร่อยใช้ได้เลยแหละพอพูดจบพี่เอ๋ก็นอนหลับต่อแบบหน้าตาเฉยป้าตกใจมากโทรบอกลุง ลุงยังขับรถกลับไม่ถึงบ้านก็ต้องเลี้ยวรถกลับมาหาป้าลุงบอกว่าเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนเราพาพี่เอไปหาพระอาจารย์กันคืนนั้นลุงกับป้าไม่ได้นอนด้วยความเป็นห่วงพี่เอพี่เอเหมือนคนปกติทุกอย่างหมอตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติพอถึงเช้าลุงกับป้าก็พาพี่เอไปวัดพร้อมกับญาติพี่น้องที่รู้ข่าวก็ตามไปกันด้วยพอถึงวัดก็ไปหาพระอาจารย์ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเก่งเรื่องวิชาอาคมพอเดินไปจะกราบพระอาจารย์ท่านก็พูดมาก่อนเลยว่า กูเตือนก่อนนะถ้ายังอยู่ในร่างมันกูจะไม่ปราณีแน่ปรากฏว่าพี่เอจากคนเสื่องซึมก็เปลี่ยนเป็นคนแข็งกร้าวพี่เอพูดว่าถ้ากูไม่แน่จริงนะกูก็คงอยู่มาไม่ได้ขนาดนี้หรอกพวกญาติพี่น้องต่างพากันงงเพราะพี่เอเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยพูดคำหยาบพระอาจารย์ไม่รอช้าก็หยิบขันน้ำมนต์พร้อมไม่เรียวออกมาพอท่านไร้คาถาเสร็จก็ฟาดไปที่พี่เอ เรียกว่าเป็นการฟาดเบาๆคล้ายกับเป็นการแตะไม่ทำให้คนนั้นเจ็บแต่พี่เอ็ดดิ้นเหมือนใจจะขาดพอแกดิ้นสักพักแกก็หยุดและพูดออกมาว่าดีอย่างนี้แหละกูชอบมันจะได้ตายพร้อมกับกูนี่แหละกูจะเอามันไปด้วยพร้อมกับเสียงหัวเราะพระอาจารย์หยิบสร้อยคอลูกประคำออกมาพร้อมไร้คาถาพอไายเสร็จก็เอาไปคล้องคอพี่เอพร้อมกับร้คาถาแบบไม่หยุดพี่เอดดิ้นทุรนทุรายญาติก็ช่วยกันจับ ไม่น่าเชื่อว่าเด็กแรงจะเยอะขนาดนี้ต้องใช้ผู้ใหญ่ถึงสามคนถึงจะจับอยู่หลังจากนั้นพระอาจารย์บอกเด็กวัดว่าไปเอาไอ้นั่นมาพูดเหมือนรู้กันว่ามันคืออะไรเด็กวัดก็ลุกขึ้นไปคำว่าไอ้นั่นในที่นี้มันก็คือหอยขนาดเล็กพร้อมผ้ายันหนึ่งผืนพอเอามาพระอาจารย์ก็ถอดลูกประคำนั้นออกไม่น่าเชื่อว่าลูกประคำสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดาสนิท พระอาจารย์ยัดรูปประคำลงไปในหายพร้อมปิดยันและท่องคาถาซ้ำตอนที่ปิดผ้ายันทุกคนยืนยันว่าเห็นยันโดนกระทุง้งเหมือนกบกระโดดชนอยู่ข้างในสร้างความแปลกใจให้อย่างมากตอนนี้พี่เอกลับมาเป็นพี่เอกคนเดิมแล้วพระอาจารย์บอกว่ามันคือปอบที่หลุดออกมาจากที่ที่มันเคยอยู่เพราะมีคนไปยุ่งกับภาชนะที่ขังมันไว้มันก็เลยออกมาได้มันจะเข้าร่างคนที่จิตอ่อนเพื่อกินตับไตไส้พุง ถ้ามาเร็วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาช้าอาจจะสายเกินไปส่วนให้ขนาดเล็กพระอาจารย์ได้ให้เด็กวัดเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าพอกราบลาพระอาจารย์ต่างคนก็ต่างแยกแย้ายกันกลับบ้านครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องจากสมาชิกหมายเลข3าม6กสอจากเว็บไซต์พันทิปกระทู้ผีนะคะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ B แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับการกด ก, ก, กระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนเมื่อเวลามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่ต้องพลาดกับเรื่องใหม่ๆนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ